ป่ากันโดดีๆนะพระเราชี้เราพิจารณาปาฏิสังขารอยู่อยู่ตลอดเวลาทั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ฟังธรรมตลอดเวลามีปัญญามีสติปัญญารู้กายรู้ใจของเราทั้งที่ตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ฟังธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรม ตัวธรรมก็คือตัวใจธรรมชาติของใจที่ปราศจากกิเลสเขาก็สะอาดเขาก็ปกติใจจะเกิดความโลภความโกรธเราก็รู้เท่าทันถ้าเรามีสติมีปัญญาอยู่ปฏิบัติเราก็จะได้เป็นบุคคลที่ฟังธรรมกายของเราเป็นก้อนธรรมใจของเราเป็นองค์ธรรมสติที่เราสร้างขึ้นมาเป็นคนมันพัฒสอนใจอยู่ตะลอดเวลาเขาเรียกว่า อยู่ที่ไหนก็เป็นวัดได้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาพวกท่านจงพยายามดูรู้ใจของตัวเราเองทุกเรื่องในชีวิตไม่ใช่ว่าจะมาวัดเราถึงได้ฟังธรรมไปฟังพระท่านพูดเราถึงได้ฟังธรรมเราจงฟังตัวเราครําสอนตัวเราทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงกายเนื้อของเรามีอะไรบ้างซึ่ง ขันห้าของเรามีวิญญาณเข้ามาครอบครองอะไรส่วนรูปอะไรส่วนนามเราไม่เข้าใจแนวทางพระพุทธองค์ท่านในค้นพบมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วก็ให้เราเดินตามทําหน้าที่ตามให้ถูกต้องเราก็จะเห็นว่าท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องความจริงของชีวิตสอนเรื่องสัจจะความจริงของชีวิตเราต้องรู้กายในขันห้าของเรารอบรู้ในกองสังขารของเราให้ได้ เราต้องละกิเลสที่ใจของเราให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เข้าไม่ถึงธรรมส่วนมากก็มีแต่ใจนั่นเราทั้งวิ่งทั้งเกิดทั้งหลงหลงอยู่ในใการสร้างคุณงามความดีหลงสแวงหาธรรมถ้าไม่เจริญสติเข้าไปพรำสอนใจอบรมใจจนใจคลายออกจากขันห้าตับความเกิดเราก็จะเข้าไม่ถึงตัวธรรม มีแต่งแต่ตัวทําบินหาธรรมมันจะไปเจอได้ยังไงหาความโลภความโกโรธความอยากกิเลสอยากพิเลสละเอียดมาปิดกันตัวเอาไวเ้เซมิทเอาขันห้ามาปิดกันตัวเอาไวเ้เซมิทจะเห็นได้ยังไงถ้าไม่เจริญสติให้ต่อเนื่องเพียงแค่เจริญสติให้ต่อเนื่องถ้าทําความเข้าใจไม่ถูกต้องมันก็ยากอีกแต่บะบาลมีพยายามสร้าง มันขัดเกลาอยตลอดเวลาเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอย่าโยนความรับผิดชอบตัวเราให้คนอื่นกายของเรามีอะไรบ้างวิญญาณเป็นลักษณะอย่างไรใจที่ปราศจากกิเลสเป็นยังไงใจที่ไม่เกิดเป็นไงใจที่คลายจากความคิดเป็นยังไงกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นยังไงนิวรณ์ทำเป็นยังไงไมีกันหมดทุกคน เด่นต่ ว, ว, ว่าเราจเจริญสติเข้าไปรู้เท่าทันเห็นต้นเหตุหรือไม่เท่านั้นเองมีในความไม่มีเอาพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาสอนเรื่องใจลักสอนเรื่องหลักของอริยสัจท้าให้พิสูจน์ท้าให้พิสูจน์ได้จะเดินตามแนวทางของท่านรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยท่านถึงบอกให้เชื่อ ชงใม่ใหม่อย่าหาเหตุผลแบบกิเลสเข้ามาโตแยะให้เดินตามทำตามซะก่อนหมดความสงสัยเห็นด้วยรู้ด้วยเข้าถึงด้วยตามทำความเข้าใจได้ด้วยนั่นแหละหมดความสงสัยหมดความรังเลท่านบัญญัติเอาไว้หมดมีปรัชนาผมมีปรัชนาญาัญการเกิดการดับของจิตของขันธ์ห้ า, หาท่านถึงบอกให้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในอารมณ์แล้วก็รอบรู้ในโลกธรรม ที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวถ่วนมากจะไปรอบรู้เฉพาะโลกธรรมในโลกธรรมแปดหละัยศสลรเสริญสุขทุกนินทาตรงนั้นมีกันยุะเอามาปิดกั้นดวงใจของตัวเองเอาไว้จนมืดจนแกะไม่ออกคนที่จะแกะออกง่ายคือคนที่มีศรัทธามีความเชเสืละมีสัจจะมีความอ่อนน้อมทำตนฝากใยสนใจมีความเพียรเอาออกคลายออก มองเห็นความจริงภายในมันถึงจะคลายออกได้ง่ายได้เร็วเร็วไวความเสยสละไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความขยันไม่มีมันก็ยิ่งห่างไกลก็ต้องพยายามไม่เหลือวิสัยเราพยายามสร้างบุญให้มีให้เกิดขึ้นที่กายของเราให้เต็มเปี่ยมบุญทั้งสมมุติบุญทั้งวีมุตพอสมมติกับวีมุตเขาก็อาศัยกันอยู่คนเราเกิดมาจะไปยังไงมายังไง ทุกคนตายหมดจะตายช้าหรือตายเร็วเท่านั้นแหละความจริงก่อนที่ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ไปลกจะพูดเรื่องความตายแล้วไม่อยากฟังถ้าพูดความอยากได้อยากมีอยากร่ําอยากรวยและชอบอยู่อยากร่าอยากรวยก็ขยันมันเพียรเสวงหาหาด้วยสติหาด้วยปัญญาหาด้วยเหตุได้ผลการกระทําก็ต้องถึงพร้อมไม่เบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่น เราไม่อยากจะร่ำจะรวยก็ได้เราไม่อยากจะมีก็มันก็จะมีถ้าเราขยันจากในโน้นไปหามากๆจะแหวงหาใจก็ต้องรู้ใจปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้ธรรมปฏิบัติตั้งแต่ธรรมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสติก็ไม่รู้จักคําว่าขอดเบลึกรู้ตัวอยปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันเป็นลักษณะอย่างไรก็ยังไม่รู้รู้ตั้งแต่การพูดการจาต้องให้รู้ให้เห็นในกายในใจของเราสร้างขึ้นมาให้เต็มปิ่ม ให้รู้เท่าทันความคิดด้จกกักควบคุมความคิดความคิดเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นอย่างไรระดับไหนเกิดขึ้นจากตัววิญญาณเกิดจากอาการหนองขันห้าหรือว่าเกิดจากสติปัญญาต้องแก่งให้ออกคนที่เข้าใจในธรรมรู้ธรรมฟังนิดเดียวไม่จาเป็นต้องไปเสเวงหาที่ไหนเลยหาที่กายลงที่ใจเราก็จะได้ฟังธรรมตลอดเวลาจัดการ ซับภายในให้บริบูรณ์นอกนั้นก็ข้างนอกก็จะเข้ามาหาเราเราก็จะช่วยอนุเคราะห์แก้ไขกันไปส่วนมากก็จะไปหาธรรมที่โน้นหาธรรมที่นี่มันไม่เจอโลกหาภายนอกแต่หาธรรมจากสถานที่โน้นหาธรรมที่นี่ถ้าเราเข้าใจในการดูใจในการละแล้วไปเถอะไปสร้างกําลังใจไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่นั้นได้กําไรแต่ยังไม่เข้าใจนะจะเดินรอบโลกก็ไม่เข้าใจโลก ถ้าเรารู้ใจถ้าเรารู้ใจแล้วไปที่ไหนเราก็รู้ใจรู้ธรรมตัวใจนั้นคือตัวธรรมกายนี่ก่ อ, กอนธรรมอย่างแกระดับสมมุติพวกเราก็ยังไปเข้าใจอยู่แต่ปัญญาทางสมมุติทางโลกียะนั้นเข้าใจอยู่ในระดับของสมมุติอาจจะถูกต้องอยู่แต่ในหลักธรรมแล้วก็ถ้ายังไม่รู้ตัวใจจริงๆก็ยากอยู่เพราะใจมันยังเกิดยังบิ่งก็รู้อยู่ใน ในความรู้ในความหลงหลงในความรู้ละเอียดละเอียดมากสําหรับหลักใจแล้วละเอียดมากก่อนเป็นนามมาทำมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนอกจากจะดําเนินตามคําสอนของพระพุทธองค์ความระลึกรู้ตัวรู้กายรู้ใจแล้วละกิเลสออกให้มันหมดตามความเป็นจริงกิเลสมันมาทีหลังมันไม่มี แต่มาสร้างเรืปกโุบพีมิดเลยเพียงแค่ความเกิดมันก็ปิดตัวใจของตัววิญญาณเอาไว้เลยเพียงแค่ความคิดอากาศของความคิดเกิดการปรุงกันแต่งแต่มีขันห้าเข้ามาปิดไว้อีกชั้นหนึ่งปิดเด็ดอย่าบปิเด็ดละเอียดปิดชั้นเอาไว้เยอจนมาก็ได้ทําบุญให้ทานทําบุญให้ทานแต่ก็ได้อยู่นะไม่เชียวไม่ได้ไม่ใชียวไม่ดี ทานให้มันออกให้มันหมดทานให้เป็นส่วนมากทานไม่เป็นทานแล้วก็ปรารถนาอยากให้มันได้เยอะกว่าการให้ทานแึ่ก็ได้อยู่ในหลักของสมมติได้ความสุขกายสุขใจได้สวรรค์ได้พรหมจะกายแตกดับแต่ไม่ได้นิพพานเพราะความเกิดยังมีอยู่เราต้องเข้าถึงคำว่านิพพานลักษณะของนิพพานหมายความว่าความเย็นความว่าง ใจที่ว่างปัดมาจากกิเลสใจที่ไม่เกิดเรียกว่าใจนิพพานใจว่างใจบริสุทธิ์ใจนิ่งเรียกว่าใจเที่ยงใจไม่นิ่งใจไม่เที่ยงก็นิพพานก็ไม่เที่ยงใจนิ่งใจเที่ยงนิพพานก็เที่ยงก่อนที่จะให้ใจนิ่งใจว่างได้มันว่างจากอะไรล่ะว่างจากกิเลสมันมีกิเลสแล้วก็ละกิเลสเราละไม่ได้ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุเราก็พยายามใช้ปัญญาขัดเก่า ไม่ใช่ว่าทมปุบมันจะได้ปับ๊บทาอยู่เรื่อยๆอาศัยกาลอาศัยเวลาอาศัยความเพียรอจะหลุดศรัทธาของเราชอบอย่างไรเราต้องรีบแก้ไขไม่ว่าพระวยมญาณบัญชีราต้องพยานะพยามนะพยายามวันนี้ก็เป็นวันธรร ม, มสวรรค์วันฟังธรรมเราต้องฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาได้กระตุต้นขึ้นมามันพัฒนสอนใจของเราอย่าให้คนอื่นเขาสอน อันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดอันนี้เป็นกุศลอกุศลกายทำหน้าที่อย่างไรทวารทำหน้าที่อย่างไรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสติปัญญาพากายไปใจรับรู้หรือว่าใจเป็นตัวสักหรือว่าขันห้าความคิดเป็นตัวสักงแต่ยังแยกแยะไม่ได้ฝังไม่ค่อยจะรู้เรื่องโลกไม่รู้ว่าพูดอะไรบอกว่างัน้นแต่แยกแยะได้เราสนุกอยู่คนเดียวก็สนุกว จ, จิตรตัวไหนจะมาหลอกเราตัวใจมันจะสั่ง ไปตามอํานาจของกิเลสหรือเปล่าเป็นกุศลหรือว่าอกุศลในหลักทับท่านให้มันพร่ำสอนใจแล้วก็คลายแยกแยะแล้วก็ดับความเกิดของใจให้ใจรับรู้ผิดถูกชั่วดียังไงสติปัญญาไปแก้ไขจั้งแตตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นสติปัญญาของเราเรยวไวขึ้นก็จะกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาจนไม่ได้สร้างจนเป็นปัญญาอัตโนมัติเอาไปใช้ ทำความเข้าใจในชีวิตไปดำเนินชีวิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในกายของเราเืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเขาก็ว่างเขาก็บริสุทธิ์มองเห็นหนทางเดินว่าจะกลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดนอกนั้นก็ได้กำไรชีวิตในการสร้างบุญสร้างประโยชน์ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่เราต้องสร้างทรัพ์ภายในให้เต็มเปี่ยมใช่ก่อน ก่อนที่จะล่นออกไปหากาไรชีวิตให้กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันความนิ่งทักห้านาที1ิบนาทีมันก็ยากการจเจริญสติที่ต่อนเนื่องมันก็ยากถ้าไม่มีความเพียรสิ่งพวกนี้บังคับกันไม่ได้หรอกพูดจนปากเปียกปากแขะถ้าไม่เอาก็ไม่เอาถ้าคนมีบุญพูดนิดเดียวเขาไปแก้ไขตัวเองทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน และเขาเรียกว่าพระใจสะอาดใจสว่างใจบริสุทธิ์ใจก็เป็นพระอจึงเป็นข่าววัดใจก็เป็นพระได้อ่าตั้งใจละพรกันอขออห้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนจึงกระตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตรวจแล้วหรือ ย, อยังแต่อย่างก็เริ่มเสร็จ น, นะ ให้ต่อเนื่องกันสักนิดสักหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำวางกายให้สบายวางใจให้สบายสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวความรู้สึกรับรู้เวลาลมวิ่งเข้ากระทบปลายจมูกของเราแล้วก็เวลาลมหายใจออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่ามีความรู้ตัวถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่อง เวลาหายใจเข้าออกหายใจออกหายใจเข้าหายใจยาวหายใจสั้นขอให้รู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเพียงแค่สร้างความรู้ตัว ต, วตรงนี้ให้ต่อเนื่องให้ได้เชีย ก, ก่อนก็ไม่ค่อยจะสนใจกันทั้งที่ใจก็ปรารถนาอยากได้บุญสเสวงหาธรรมเสวงหาที่โน่นที่นี่มันปิดกันเอาไว้หมดเสียแล้ว เรามาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันถ้าความรู้ตัวพลั้งเผอเริ่มต้นใหม่พลังเผอเริ่มต้นใหม่จนกว่าจะเป็นมหาสติความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปฏิบัติลึกลงไปเราก็จะเห็นการเกิดอาการห้องใจเขาจะปุ่งจะแตกเขาจะอึดอัดบางทีเขาก็ส่งไปภายนอกเราก็พยายามกระตุ้นความรู้ตัวใหม่หายใจเข้าออกใหม่ใจก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจเอง อยู่กกายของเราเองมันก็จะเห็นเป็นสองส่ว น, นกำลังสติของเราหมีมากแล้วก็อบลมใจของเราแล้วก็ข่มใจของเราด้วยสมถะอันนี้เ้าเรียกว่าสมถะท่าข่มใจให้อยู่ในความสงบจนกว่าความรู้ตัวของเราจะรู้เท่าทันการเกิดของใจการเกิดอาการของขันห้าเขาเคลื่อนเข้าไปรวมกันถ้ารู้เท่าทันเขาจะแยกออกจากกันอันนี้ถึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรม แล้วก็สัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงถึงจะเปิดทางให้เพียงแค่เปิดทางแต่ก่อนนั้นศรัทธามีพร้อมปัญญาทางโลกปิดกั้นเอาไว้แต่แยกแยะตรงนี้ได้สัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้เพียงแค่เริ่มต้นแต่ฐานบุญมีอยู่ความรู้ตัวของเราก็ตามทำความเข้าใจใจก็จะว่าง ใจว่างรับรู้ความรู้ตัวเราก็จะตามดูเห็นการเกิดการดับของขนันห้าเรื่องอะไรบ้างเป็นกุศลหรือว่าอากุศลเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเราก็จะเข้าใจในเห็นความเกิดความดับเขราว่าเห็นไตลักรอบรู้ในกองสังขารทุกเรื่องเวลาจบลงเราความว่างเปล่าก็จะมาปรากฏที่ท่านเปรียบอไว้เหมือนกับพระยับแดดหรือว่าเปรียบอไว้เหมือนกับลูกคลื่นเวลาเข้ากระทบฝั่งก็แตกหายไปลูกใหม่ก็เข้ามาตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเรา ประคัดปฏิบัติแยกแยะได้ทําความเข้าใจได้ถ้าเราไม่ตามทําความเข้าใจให้ตลอดทุกเรื่องเขาก็ซืมเข้าสู่สภาพเดิมเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆมันกันแม้แต่ตัวใจตัววิญญาณเขาก็เกิดมาตั้งนานเขาหลงคิดหลงเที่ยวหลงหลอกตัวเองมาตั้งนั้นความรู้ตัวสติปัญญาของเราต้องชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเ ห, เห็นผลการเกิดการดับให้ชัดเจนทุกเรื่องจนยอมสิโรลราบได้นั่นแหละ จนละกิเลสได้หมดจดนั่นแหละหมดความสงสัยได้นั่นแหละเขาถึงจะหยบแต่เวลานี้ความรู้ตัวสตินี่ไม่ได้สร้างกันเลยมันจะไปรู้ตรงนั้นได้ยังไงถึงสร้างขึ้นมาก็นิดนิดหน่อยหน่อยเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้มันจะไปประหัตประหารกิเลสได้ยังไงมันก็ได้แค่ทำบุญให้ทานการทำความเข้าใจให้ตลอดสายไม่มีจะไปแสวงหาธรรมที่ไหนมันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ เราก็ต้องพยายามแต่ก็ไม่เหลือวิสัยทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทำอย่าไปทิ้งบุญในการทําบุญในการให้ทานสั่งบา ร, รมีให้มีให้เกิดขึ้นความเฉลิขระความอดทนความอดน้อมถ่อมตนการพักไ่การสนใจความพยัน์มันเพียรเราพยายามทําให้ติดตัวติดกายติตใจของเราอย่าไปกังวลว่าจะเสีย ب, เปรียบปีเลดคนโน่ น, นคนนี้เราชนะตัวเราแล้วเราชนะหมด พยายามทำนะเอาละวันนี้ก็จเจริญทำเป็นตัวนี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานเตาะทำความเข้าใจกันเอา